ع َ ل َ ي ْ ك ُ م غَضَبٌ م ِّ ن رَبِّكُمْ ف َ أ َ خ ْ ل َ ف ْ ت ُ م مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القص مري فأخرج لهم ع ج ل ا ج جسد له خوار فقالوا هذا إلىه كم وإله موسى فنسيا أفلا يرون ََ ألا َ يرجع ِ إليهم قولا َ ولا يملك ُِ لهم َُ ضر و َ لا نفع ولا َ قد قال لهم ُ هارون ُ من ِ قبل ي าข้าวไ م ่ในมาผَ้ตินตุ้มُี م ่าอิِ و َรับบักุมุรรา م ห์มานฟั م ตบ ن ี ف َะอัติย์อุอัมรีอิสลามุลลอฮ์อัลลอฮ์ ل ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ ل อัลลอฮ์อัลล อินนั้ลฮะมดุลลอฮ์นะฮ์มดุห์ وناستعينه وناستغفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا ا, إ و ه, و ه, ه و د ه ي ك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم بيك أ ص ح ن ا วَบิกะอ ا มซายน ك ن ับิกะนภ و ยะวับิกะนโ ن ตุไว้เลิกะนุษย์อูร์อัลกุสุบ ل กาลิมัติลลาฮิ ا ت ِ مِنْ شَرِّ مَا خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا َ في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دين วบิมูฮัมมัดิลลัสโวละอัลลอฮุมอินนีอาอูบุคจากนักสัลลิวสูอิลคิบริรับบีอาอูบุคจากอาดับในนารีว่าดับในลับรีสุลามุอะลัยคุมาระหัตุลลอฮฺวะบรากะตุพี่น้องที่ร่วมนมาศุบะที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ ع ل ا ل ى นะที่ อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็อัลลอ์ให้เราตื่นขึ้นมาทำไมเราต้องอ้างอัลลอ์ตลอดเพราะว่าอัลลอ์บริหารโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวแม้แต่การปฏิบัติของมนุษย์จะเป็นจะตายใครจะเกิดใครจะตายนี่อยู่ในการบริหารจัดการของอัลลอ์แต่เพียงผู้เดียววันนี้นะครับคนที่เรียนตัฟซีกับเราเนี่ย ชื่อฮัจยีสุวรรดีหรือมหดีวิมหดีล่อมุดเป็นน้องชายน้องชายของของคุณเฉลิมล่อมุดได้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ขณะนี้มัยยิดเนี่ยนั่งตั้งอยู่ที่มัสยิดที่เราเนี่ยนะอายุเจ็สิบอดปีนะครับป่วยสองอาทิตย์ได้มสองะอ่ะลูกชายนั่งอยู่นี่นะครับสองสองอาทิตย์ แต่กับไปหาอัลลอฮ์แล้วอินนาลิลล้วอินนาอิลเลฮิรอจิอานกานมาวันนี้เก้ามงเช้านะครับพี่น้องครับพูดเรื่องการเป็นการตายเนี่ยนะท่านคนที่ยังไม่ตายเนี่ยผมขอแนะนำอย่างนี้นะให้เตรียมตัวตายเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่นมัสยิดเนี่ยอายุเจ็ดสิบก็มี หกก็มี50สบก็มีสีสบก็มีสาสบก็มีใช่ไหมให้เตรียมตัวตายเขาเรียกอิสติยัดะต์เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าฝ่าอัลลอฮฺสุบฮานาบุต阿าเตรียมตัวนะเตรียมยังไงไม่ใช่เตรียมผ้าขาวไม่ใช่เตรียมโลงแลว้วก็เอาสตางเนตไปแลกไว้สักแสนสองแสนเอามาเก็บไว้ที่บ้านเอาไว้เตรียมตัวแจกสตาง นั่นไม่ใช่การเตรียมตัวการเตรียมตัวก็คือนมาดอยา่าขาดนมาดไม่ให้ขาดคือน้องนำมาต้องไม่ให้ขาดเลยนมาดเพอดูยังไม่พออย่างเดียวต้องนําเก็บนำมาดสุนัตมุอับกดาด้วยวัน ล, ละอีกสิบสองรกระดับหรือสิบระกระดับแล้วก็ไฟอาร์มอ่านอัลกรุรอานสม่ําเสมอแล้วก็ขอทูอาต่อัลลอฮ์แล้วก็ชมอัลลอฮ์ ขอดุอากับชมอัลลอฮ์เนี่ยคิดต้องเอามาไหนเอาทั้งสองนี่แหละไม่ใช่ขออย่างเดียวแล้วไม่ได้ชมอัลลอฮ์ขอด้วยแล้วก็ชมด้วยนะไม่ใช่ขออย่างเดียวแล้วไม่ได้ชมฉะนั้นอัลลอฮ์ต่า อ, อาลาเนี่ยชอบให้บาวของพระองค์ทุกคนเนี่ยขอดุอาต่อหรอกขอให้เราตายขอให้ตายในสภาพที่เป็นค้นดี ขอภาษาไทยนี่แหละยอย่ารอขอให้จานให้ฉันตายให้ฉันจบชีวิตในสภาพที่ฉันเป็นคนดีคนดีก็คือคนที่มีอ إ ي م านต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแหละทีนี้เขาว่าตายดีเนะี่ยบางบางคนอลุลามะบางท่าน ข, าขอขออุทิให้ตายขณะที่เขากําลังสุญูดขอดุอาต่อลรอนะให้ฉันตายขณะที่ฉันกําลังสุญูดนะครับ อัลละหนะครับมีอยู่หลายคนท่านเช่นมีอยู่วันหนึ่งท่านป่วยหนะักท่านขอตอนเช้าย่าอาลัลลอฮ์ให้ฉันตายในสภาพที่ฉันกําลังสุญยุดเถอะโออัลลอฮ์ให้ฉันตายให้ชีวิตฉันฉันออกจากร่างขณนะที่ฉันกําลังสูญยุด ต, ตอนเย็นวันนั้นนมาฎมกริบพอได้ยินเสียงอาซาเนี่ยพ่ออายุเยอะแล้วก็ป่วยด้วยกว็บอกลูกพาพ่อไปนะมาฎที่มัสยิดเถอะ ลูกก็พูดว่าพ่อป่วยอลัออลลอฮ์ไม่บังลับไม่บังคับหลอกให้ไปนะ้ามาที่มัสยิดแต่พ่ออยากจะไปเอาลูกๆ ก, ก็ช่วยพยุงพ่อมานะ้ามาที่มัสยิดปรากฏว่าโรค อ, อากาศสุดท้ายนะพอสุญูดแล้วไม่เงยเลยเสียชีวิตในมัสยิดเสียชีวิตขณะที่ตัวเองกําลังสุญูดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาุเวลาแบบนี้เขาเรียกว่าตายดีใช่ไหมอ่า จะนั้นเราต้องขอด้วยนะไม่ใช่ขอให้รวยอย่างเดียวขอให้มีภรยาขอให้มีลูกมีบ้านมีที่ดินพอมีแล้วนี่ไปน้องก็ขอให้เราตายในสภาพที่เรามีอี إ ي م านต่ออัลลอฮ์แล้วขอดวงอาต่อัลลอฮ์ให้เราตายในสภาพที่เป็นคนดีก็แล้วกันนะตกลงขอดวอาต่อัลลอฮ์ครับเอาวันนี้อืม <c oughs> นะวันนี้มาถึงอายาที่แปดสิบหก นะครับอัลลอฮ์ดีมากนะครับเอ่ออาญที่ผ่านมาญาติที่แปดสิบห้าก้ฟอินนาฟาตันนาก้าวมากะมิบบาดิกะวะลล่าบลลฮูมุซามิริยอัลลอฮ์ตรัสว่าก้อละมาถึงอัลลอฮ์ตรัสว่าีนทบทวนของกลบหนึ่งอายาพอนะฟาอินนาฟาตันานา แท้จริงเราได้ทดลองเราได้ทดสอบเราได้ทดสอบนะครับเก้ามากะหมูชนของท่านมูชนของนบีมูซานก็คือพวกบนันอิสลอมีนเราได้ทดสอบเขาเหล่านั้นหรือลองใจมูชนของพวกท่านมิมบัดิกะหลังจาก มูซาได้ไปที่ภูเขาซีนายหรือภูเขาตูนพอข้ามทะเลเสร็จแล้วแต่แต่งตั้งหัวหน้าพวกบันิอิสรอีนเจ็ดสิบคนแล้วนบีมูซาก็ไปเลยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรอราบุวาฮีเรียกวกาเตารอเนี่ยนะครับที่ภูเขาซีนายไปกี่วันสี่สิบวันนะครับไปอยู่สี่สิบวันนะบนภูเขาเนี่ยนะ เสร็จแล้วพอท่านนาบีมูซาไปที่ภูเขาปัญหาก็คือว่ากลุ่มชนที่รออยู่นะ่ะสี่สิบวันเนี่ยวาอัลละฮุมูซามิรีอยู่ซามิรีเนี่ยได้ทำให้พวกเขาหลงความจริงน่ะนบีมูซาเนี่ยมีตัวแทนของนบีมูซาก็คือนบีฮารู อ่านาบีฮารูนอยู่แต่ซามมรี่เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับสมัยเดียวกันกับนบีมูซาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่คนนี้เป็นมูนาฟิกนะคนนี้เป็นมูนาฟิกนะทำให้คนหลงมาตลอดคนมูนาฟิกคือต่อหน้ามุสลิมเนี่ยพูดดีพอลับหลังก็ใส่ร้ายเขาด่าเขาฟิตนาเขาใช่ไหมต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีบอรับหลังเนี่ยฟิทนาสร้างความแตกแยก ในกลุ่มมุสลิมด้วยกันนะ่ยคนนี้แหละซามิรี่คนนี้แหละนะซามิรี่เนี่ยได้ทําให้พวกเขาหลงโดยเอะไรนะเอารูปอะไรนะเอาอะไรนะเอาเครื่องประดับของพวกบรีอิสรออีนที่พากันมาจากฝั่งคานูนะ่ะที่พากันมาใช่มากแบกกันมาไปน้องแล้วก็ซามิรี่เนี่ยก็เอาทองเหล่านี้เนี่ย มาหลอมทาเป็นรูปลูกวัวเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยกราบไหว้แล้วก็พูดว่านี่แหละเป็นพระเจ้าของเราแท้ๆส่วนมูซาเนี่ยไปรออยู่ที่นู่นอ่ะสี่สิบวันอนะ่ะนั่นเขาใจผิดของจริงพระเจ้าอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ภูเขาซีนรอนบีมูซาไปเพื่อไปรอรับุฮีใช่ไหมต้ีอะไรนะคำพีเตารอ สังเกตนะกุรานเป็นคมภีเล่มสุดท้ายอัลล์ให้นบีขึ้นภูเขาใช่หรือไม่ใช่ขึ้นภูเขาใช่ไหมแล้วก็อัลลอ์ได้ประทานอันกุรานลงมาอายแรกก็คืออิกระบิสมิรอบบิกลลัลที่อินซานลกอิกรวรบบกลักรุมที่เรีนมากลมยนมอินาหน้ามัลัมยลัมะอาย นบีมูซาก็ทการขึ้นไปบนภูเขาว40วันไปรอรับคำผีเต่ารอนะครับอาทีนี้ซามมรีเนี่ยทำให้ประชาชนที่รอนบีมูซาอยู่เนี่ยหลงให้ไปกราบลูกวัวเอาอายะที่86ฟาโรยามูซาอิลากูมิฮิวะดบานาซิฟา ف َฟ้ารั้งโมเสٰ إِلَى วกุมมีโกรธบานอาสิฟาอัลลอฮฺอักบาร์นี่อัลลอฮ์เล่านะดังนั้นรออ้อยอา์นี่แปลว่ากลับ อ, อ, อ่าร้อยอา์นี่แปลว่ากลับดังนั้นหลังจากมูซาอยู่ที่ภูเขามีคำอธิบายก่อนนะอยู่ที่นั่น 40, 40วันได้รับคำพีเตอร์อ หรือว่าบัญญัติพระบัญญัตินะครับได้รับแล้วฟารห์ยาโมซาได้กลับมาหลังจากไปอยู่สี่สิบวันได้รับคัเพีร์ตารอแล้วพออยู่ครบสี่สิวันก็ฟารห์ยาดับีมูซากลับกลับไปไหนครับฟารห์ยอามูซาอีลก้ามิฮิมูซาได้กลับม า, ายั่งหมูมไไหมมมมม่ชนของเขา หายหน้าไปสี่สิบวันนี่กลับมาแล้วแทนที่จะดีใจกับรอดอบบาล น, นี่รอดอบบานแปลว่าเสียใจโกรธวอดบานแปลว่าโกรธอ่รอบหรือรอดรบแปลว่าโกรธรอดบบานแปลว่าโกรธกลับมาแล้วเห็นพวกแล้วโกรธเลยอารมณ์โกรธมาทันทีน้องต้องระวังนะบางทีเราพ่อเนี่ยออกไปไหนมาไหน พอการมาถึงบ้านล้วโกรธเนี่ยเพราะอะไรแสดงว่าที่บ้านทำผิดในบิมูซาก็เหมือนกันหายหน้าไปประมาณ4ี่สิวันไปรอรับวะฮีกลับมาถึงพวกเห็นหน้าแล้วโกรธโกรธแล้วยังไม่พ อ, อกนะอาซิฟาเราก็เสียใจอีกทาง a อ g r y and Sad โกรธด้วยแล้วก็เสียใจด้วยในตัฟซีตอธิบายดีนะรบวับแปลว่าโกรธส่วนอาซิฟแปลว่าเสียใจเนี่ยหนักกว่าโกรธ นักกว่าโกรธตัวลงวงพ่อกลับมาเห็นหน้าพรกพวกแล้วเนี่ยแทนที่จะแฮปปี้แทนที่จะดีใจกับนบีต้งมะโกรธแล้วก็เสียใจขอทุกอาณตอักรล่อนนะอย่าให้พวกเราวันนี้ออกจากบ้านไปสักสิบวันหยเดือนสองเดือน4เดือนแล้วก็ตามแต่กลับมาถึงบ้านแล้วเห็นที่บ้านแล้วโอ้โหความโกรธมาเสียใจแสดงบทที่บ้านทำผิดผิดหลักการของอัลลอ์สุบฮานาวตาด อาทีนี้พอกลับมาเห็นพรรคพวกหมู่ชนของเขานาบีมูซารอบาบะนแปลว่าโกรธอาสวิฟันแปลว่าเศร้าเสียใจนะครับกอละยากาบมิเมื่อเห็นหมู่ชนของเขาทำอะไรรู้ไหมกราบบูชารูปรูปเจเวต ท, ที่หล้อมจากทองคำเป็นรูปลูกวัวเนี่ย ท่านพูดเลยยาเข้ามีโอ้พวกของฉันเอ๋ยหมูชนของฉันเอ๋ยอ๋อลลนี่ไงอัคราของท่านนาบีนะครับมาเพื่อมาสอนอย่างเดียวเลยนะครับทุกนบีที่มาในโลกมาสอนหมดเลยนะยาเข้ามีโอ้พวกของฉันเอ๋ยอาลัมยาอิดุกุมรอบบุคุมวะดันฮัสันะ ท่านทั้งตั้งคำถามสามคำสามคำถามอญญายันี้ท่านอบีมูซาตั้งประเด็นและถามพระผู้วกเนี่ยสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งถามบอกว่าอัลลัมย้ายตักุมรอบบุกุมว่าอจารย์ฮัสนะาพระผูอภิบาลของพวกท่านรอบบุกุมแปลรอบบุกุมก่อนพระผูอภิบาลของท่านเนี่ยมิได้ทรงสัญญากับพวกท่าน ซึ่งการสัญญาที่ดีเลิศกันนั่นหรืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สัญญากับพวกท่านเป็นการทำสัญญาที่ดีเลิศหรือสัญญาว่าไงกับสัญญาให้ฉันไปพบกับอัลลอฮ์ที่ภูเขาแล้วก็จะประทานบัญญัติคำพีเตอร์อดลงมานั่นนะ่ะไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีเลิศกันนั้นหรือ นี่นบีมูซาพูดเตือนสติทําไมล่ะอัลลอฮ์สัญญาว่าให้คุณรออยู่ตรงนี้ฉันจะไปรับวาฮีจากอัลลอฮ์แค่สี่สิบวันเนี่ยวะฮีที่อัลลอฮ์จะประทานมาให้เนี่ยไม่ดีหรอไอความรู้ที่คุณคิดเองน่ะกับความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์อันไหนจะดีกว่ากันอันไหนดีกว่าอิฟรุกที่มาจากอัลลอฮ์ดีกว่าใช่ไหมนบีมูซาเตือนน่ะทำไมล่ะ คำสัญญาของอัลลอ์บอกว่าให้ฉันไปรับคำพีเตารอ บ, บนภูเขาสี่สิบวันเนี่ยอันนั้นน่ะวาดันฮัสนาไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีเลิศกันนั้นอ่านี่ถามข้อที่หนึ่งถามข้อที่สองอาฟฟาะลลายกุมละหดอาฟฟาะลลายกุมุละหด คำมั่นสัญญา <c oughs> อัลอาดูนะคำมั่นสัญญานั้นพอละแปลว่ากินเวลานานอะไรกุมสำหรับพวกท่านกันาดหแค่สี่สิบวันน่นานไปหรื อ, อยังไงพวกพวกเอยนี่คําคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่หนึ่งฉันไปรอรับคำภีเ ต, เตรออนน่ะนั่นไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีเลิศหรือ กับความรู้ที่คุณมีอยู่วันนี้นะ่ะมันยังพันอร่อยเลยนะ่ะคิดเองทําเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีเลิศฉันไปรอรับมาจากภูเขานั่นเป็นสัญญาที่ดีเลิศที่สุดข้อที่สองแค่รอสี่สิบวันเนี่ยมันนานไปหรื อ, อยังไงภาคพวกเอ้ยคําถามดีนะอาถามดีไม่ใจดาเลยนะเนี่ยนะเตือนสติพันคําถามข้อที่สามถามว่า อรัตตุมอัยยะฮิลลอะลัยกุมกอดบุมมิรอบบิุมอัมอรัตุมอยฮลลกุมอดบุมมิรบบิกุมหรือพวกท่านอารัตตุมปรารถนาหรือพวกท่านอยากอยากอะไรอัยยะฮิลลที่พระองค์จะให้เกิดขึ้น คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรเกิดโก ร, บ, รบความโกโรธอ่าโกโรธของน บ, บีมูซาก็โกรบโกโรธของอัลลอฮ์ก็ใช้่อกรอบเหมือนกันทีนี้ฉันโกโรธกับอัลลอฮ์โกโรธหนาต่างกันะนะน บ, บีมูซาโกรธอย่างนี้ก็แค่บนบ่นบนแต่อัลลอฮ์โกรธเนี่ยหมายถึงอะไรลงอะไรลงโทษเห็นไหมน บ, บีมูซาเตือนน่ะ หรือว่าพวกท่านปรารถนาที่จะให้มีความเกลวโกรธจากพระผู้อาภิบาลของพวกท่านเกิดแก่พวกท่านใช่ไหมนี่ประเด็นที่สามที่ถามพักพวกตัวล้้ว่าคุณต้องการชาลอดโล้นทวยคุณใช่ไหมข้อที่สองถามว่าคุณรอไม่ไหวแล้วเลข้อที่หนึ่งสัญญาที่ฉันจะไปเอาคำพิทา ร, รมาเนี่ยมันไม่ดีกันนั่นเลยนี่ถามสามเรื่องถามให้คิด วันนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องที่เราอ่านคุราอนอายานนี่เรื่องของนบีมูซากระทบถึงเราด้วยนะถ้าพี่อัากคุรานไม่ดีกันนะสองถ้าอัลลอฮ์จะทดสอบให้คุณมีปัญหาเดือดร้อนสักสี่สิบวันอันหนักไปแล้วอ้อาวคนที่อัลลอฮ์ทดสอบให้รอเนี่ยบางคนเป็นอย่างนาบีอะไรนะที่ไม่สบายนะนบีอะไรนะนบี อายุป่ปวยกี่ปีเจ็ดปีถูกทดสอบให้ป่วยนะเจ็ดปีท่านนาบียูยูอ่ายูนุสว่าอายุบอกว่าทําไมไม่ขอทั้งว่าตอลอดรอให้หายอ่ะท่านตอบว่าไงทำไมเอารอแค่เจ็ปีเองขอแล้วล่ะแค่เจ็ดปีแล้วขอแล้วเล่ะเอารอเราในแค่วันเดียวน่ยกมืออย่เอารอเอารอให้ก็ขอเธอเพราอท่านนาบีอายุขอปั๊บหายเลย อัลลอฮ์ให้หายเลยเห็นยังครับฉะนั้นคําถามมีอยู่ว่าท่านนาับดุลโมฮัมหมัดสลามเนี่ยตั้งประเด็นกับพรรคพวกสามประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งสอนให้คิดคุณนี่สัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ดีเลยที่ฉันจะไปรับคำภิ้วเตารอบมาเตารอบเป็นทางนาแบบอัลกรุรอานนี่แหละเป็นทางนําให้ท่านเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วก็ทัางดุลยาเลยอัลกุราคุณรอไม่ได้ก็นั้นหรือ ไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีเลื่อน ก, กันนั้นหรือข้อที่หนึ่งข้อที่สองแค่สี่สิบวันนี่รอไม่ไหวแล้วหรือข้อที่สามหรือคุณต้องการจะให้อัลลอ์โกรธแล้วก็ลงโทษคุณเอามาัม้ยเห็นหรือยังนะ่ะเมือ่อสดวดๆร้อนๆที่ผ่านมาแค่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาพวกฟารโร่ที่ทรยศต่ออัลลอ์และอัลลอ์ให้ลงโทษโดยการจมน้าตายยังไม่เห็นอีกหรือ ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆมาสองสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนี่สอนให้เตือนให้คิดเพราะฉะนั้นพี่น้องอยังหลายนี่พวกบันิอิสร อ, อีนขนาดไหนเห็นไหมดื้อหน้าดูเลยนะอ๋อเ น, นี่ถ้ากุณอ่านลงมาหาพวกเรานะคนไทยเนี่ยอุโลอกบัยิ่งกระเทือนอีกนังนลมห้กับบันิอิสร อ, อีนแสดงว่าอัลลอ์นะมองอยู่แล้วพวกนี้กลุ่มนี้ใจเนี่ยผมอ่านพบ ฮจัดฮจัดเนี่ยเป็นเป็นอามิลมุสลิมินเป็นหัวหน้ามุสลิม น, นมาจเก่งอันคุดบ้าก็ได้เป็นอิหม่ามได้อันกุรอ่านดีสอนคนอบรมคนแต่ใจเฮี้ยมข้าคนท่านสายเบนยูเบิคนนี้เป็นอุลลามคนหนึ่งนะจะเป็นอุลมามหะดิษก็ได้อุลมามตัซีซก็ได้อุลลามฟิโก้ก็ได้ เวลาเปิดหนังสือฮะดีสจะเจอท่านสราสยินยูเบร์นะครับอยู่ในฮะดีษเนเยอะในตับซีก็มีนี่มอ่านเจออยู่เรื่อยท่านสอะสายเบนยูเบรในสมัยเดียว ก, กันกับสมัยของท่านฮัจยาบินยูสุฮัจยาเนี่ยจับมาฆ่าที่จับมาฆ่าเพราะอะไรน ะ, ะวเพราะว่าชอบเตือนชอบเตือนบอกฮัจยาเออคุณทำผิดตบ้าตัวซะ เอาแค่พูดเตือนอย่างเดียวเนี่ยฮัสยานทนไม่ได้อ่ะสั่งทหารไปจับมาที่บ้านน่ะรูเปล่าทอนที่ส่งทหารไปจับตัวไปเชิญตัวมาไม่ใช่เชิญไปจับมานละแบบพวกเราวันนี้ถูกจับทหารจับไปถึงหน้าบ้านไปครอบประตูเปิดประตูมาพอเห็นหน้าทหารรู้แล้วฉันต้องตายถ้าว่างานนะฮัสบุญอลลอฮฺวันนี้อามัลวะกิน อัลลอฮเป็นที่พอเพียงสำหรับเราแล้วและขอมอบตนต่ออัลลอฮเพราะว่าอย่างนั้นก็อบอกนี่หัตญาตเนี่ยบอกให้ฉันมาจับตัวคุณรอเดียวเข้าไปในบ้านไปอาบน้ำใส่เสื้อผ้าชุดกระฝันแล้วก็ใส่เครื่องหอมน้ำมาสวงแก็อัดแล้วพาออกจากบ้าน งานที่วงเล่าตรงนี้เปน็นรองครับถหากทหารมาจับตัวท่านก่อนออกจากบ้านขอให้ทำสี่เรื่องหนึ่งอาบ น, น้ําก่อนท่นต้องตายแน่ๆางานนี้พออาบ น, น้ําเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้สวยนึกว่าเป็นชุดกระแฟนกันและกันชุดนี้ข้อที่สมนำมาใส่เครื่องหอมสี 4, นำมาดแล้วก็จับตัวไประหว่างทางแม้ว่าไงละฮาลาลาลาอูบะติลลาบิลลาไม่มีอํานาจใดที่จะให้เจริญและตกต่ำนอกจากอัลลอฮ ข้อรัลมูบติรูนคนชั่วชั่วต้องคาดทุนคนชั่วชั่วต้องคาดทุนระหว่างทางเขาว่าไปพระปถชิมก็สนท่านหนาก็ไม่กี่คําอะสั่งฆ่าเลยตอนทัญาติตายประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยนะป่วยป่วยหนึ่งเดือนเนี่ยฝีขึ้นตามตัวเป็นหนองหมดทั้งตัวเลยเหมือนกับอบูอะไรนะอบูละหับอบบูยะฮันคล้ายๆกัน ฝีขึ้นทั้งตัวเนี่ยเรกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้หลับตาไม่ได้เพราะหลับตาเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในบ่อเลือดแล้วก็ว่ายน้ําอยู่ในบ่อเลือดเต็มไปหมดเลยเล่าทัานพูดเองฉันหลับตาไม่ได้หลับตาแล้วเห็นว่าฉันเนี่ยเหมือนอยู่จมอยู่ในบ่อเลือดแล้วก็ว่ายน้ำอยู่ในบ่อเลือดอยู่เพราะหลับตาก็เห็นสองเรื ok so, ่องเห็น so, ว like ่าตัวเองว่ายน้ําอยู่ในบ่อเลือดสองเห็นสาิเบนจูเบล เห็นสาบินบินบินจูบแล้วก็ร้องแบบว่าอ้เจ็บทรมานประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เสียชีวิตสรุปได้ก็คือคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งอ่านกุณอ่านดีเป็นคนดีเป็นมุสลิมแต่ใจเหี้ยมโหดจับอุลามะฆ่าเพราะอะไรอุลามะเตือนไงไม่อยากได้ยินเสียงอุลามะมาเตือนมาให้เลิกทำนู่นทำนี้มาเตือนกูทําทำไม สั่งฆาเลยแล้วฆ่าคนดีใช่ไหมคนดีคนของอัลลอฮฺสุภานะอูบาตาแล้วเนีย่ยเล่าไปใจไปน้องก่อนนะครับฉะนั้นตายดีต้องตายยังไงอย่าตายแบบพยาธฆ่าคนฆ่าคนไม่ใช่คนเดียวนะฆ่าอุลมามะเยอะมากกันเอานี่นบีมูซากลับมาจากภูเขาลงมาก็ามาเจอพวกพอเห็นหน้าพวกแทนที่จะดีใจกับโกรธแล้วก็เสียใจแล้วตั้งประเด็นสามประเด็นเห็นพี่น้องของเขา กราบลูกวัวเลยถามประเด็นที่หนึ่งถามว่าคุณเนี่ยอะไรนะพวกท่านเนี่ยอะไรเนี่ยมิได้อัลลอไม่ทรงสัญญากับพวกท่านหรอหรือว่าสัญญาที่อัลลอจะให้นั้นดีที่สุดดีเลิศที่สุดก็คือตารอคุณรอไม่ได้เลยข้อที่สองถามว่าสัญญาแค่สี่สิบวันนี่มันนานไปขนาดนี้น ข้อที่สามถามว่าคุณต้องการจะให้อลัลลอฮ์ลงโทษคุณกันนั่นหรือแบบพวกฟาโรห์ที่จมน้มตายต่อหน้าต่อตาคุณเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยคุณยังไม่เห็นหรือต้องการจะให้อลัลลอฮ์ลงโทษคนอีกหรือถามวัคสุดท้ายฟาอัคลฟตุมเมาอดีฟาอัคลฟตุมเมาอัดี พวกท่านจึงได้บิดผิวสัญญากับฉันสัญญาของนบีมูซากับพรรคพวกน่ยไม่อยู่สัญญาเดียวยืนหยัดในศาสนานี้อย่ากราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์อง์เดียวนี่คือสัญส ญ, ญาที่นบีมูซาบอกกับพรรคพวกของเขาว่าเมื่อฉันจะไปกี่วันก็ตามคุณอย่าทิ้นอัลลอฮ์นา คนต้องยึดอัลลอฮ์อง์เดียวนะมีปัญหาอย่าทำชี้หกต่ออัลลอฮ์นะอย่าทำของคารอมนะสัญญามีอยู่ข้อเดียวคุณก็ผิดสัญญากับฉันแค่นั้นของที่นบีพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดวันนี้นบีมูซามีมีแต่นบีมุฮัมมัดเราอยูยุคมุฮามมะนั้นสัญญาของนบีก็คืออย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พวกเราวันนี้อย่าทำชี้หกต่ออัลลอฮ์นี่บางคนยังมีอยู่นะพวกเราวันนี้นะ จะออกจากบ้านแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจึงจบแค่นี้แหละถอยเลยรอไปอีกชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยออกเนี่ชีรฤิ์ต่อแลแล้วมีปัญหาก็ไปหาโตอะไรโตตะเกียร์โตอรยอยนี่ชีรฤิ์ทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นนบีมูซาก็เป็นห่วง พ, กพวกคุณเนี่ยบิดผิวสัญญากับฉันใช่ไหมเอาต่อมาครับอายาที่แปสบเจ็ดนะครับ “قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا” กล่าวว่า“ไม่ได้ลนะืมวันที่จมาองเจ้า”อลอดีมุกพวกเขาตอบว่าหลังจากนบีมูซาตำหนิสามเรื่องแล้วถามเป็นประเด็นสามเรื่องให้ตอบนะตอบอยังไงครับ ขอลูพวกเขากล่าวว่ามาอัคลฟนาเมาอิเดกเราไม่ได้บิดพลิวสัญญาเราไม่ได้บิดผิวสัญญาเราไม่ได้ทา ไ, ได้ทำสัญญาในเสียหายบิมัลกีนาะตามอำเภอใจของเราตามความสมัครใจของเราเราไม่ได้ บิดเพลีวสัญญาตามความสมัครใจของเรานะนี่เป็นคำตอบเป็นคำแก้ตัวอ่าเป็นคำแก้ตัวคำแก้ตัวนี้พอรับได้ไหมอดูฟังต่อไปว่ล้วกินนาฮุมมิลนะอวซารมินซีนัดิลกาวมว่ล้วินนาฮุมมิลนเอาซารัน มิ้นซีนาติลเกลตนี้ประโยคนี้ดีมากนะแต่ว่าวดากินนาแปลว่าแต่ว่าหุมมิ้นนะเราต้องแบกน้ำหนักเราต้องแบกที่เราต้องผิดสัญญากับท่านเนี่ยไม่ได้ถูกความสมัครใจหรอกแต่เราแบกมาเนี่ยอะไรรู้เปล่าเครื่องประดับมาเราแบกเครื่องประดับมา เพชรพลอยเงินทองไอ้แสดงพวกนี้รวยสิพวกบรรดอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรวยนะแสดงว่ารู้เปล่าไอา้เครื่องประดับที่พวกนี้แบกมาเนี่ยเอามาจากไหนขอยืมมาเป็นทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับที่ขอยืมมาจากพวกพวกไรพวกเฟรอูน ที่ก็ตายด้วยทะเล่ะบทป้าเทรายนะไป 6-7 หกเจ็ดแสนคนเนี่ยใช่ไนะ่ะ <c oughs> ก่อที่จะลงทะเละเขายืมกันมาผู้นี่ก็ให้ให้ให้แค่ต้องยืมในหัวดีเหมือนน่ะอิสราเอลเนี่ยนะเอาละมีทรัพย์สินเครื่องประดับที่เขายืมมาจากพวกบนักนิพวกฟฟรอนพวกกิปตี้เนี่ยเยอะมากเลยเราถือมานี่มันหนักแล้วทำไงต่อไป ว่าแต่นาหุมมินาเอาซารมินซีนาิลซีนาแปลว่าเครื่องประดับนะซีนะแปลว่าเครื่องประดับอัลก้าหมายถึงพวกหมายถึงพวกฟาโร่เครื่องประดับของพวกฟาโร่เนี่ยเอาซารนน้ําหนักหุมมินาแบกเราแบกน้ําหนักมากมายของเครื่องประดับของมูชนนะครับของมูชนก็คือมู่ชนพวก เออฟาโรพอแบกมันหนักแล้วเป็นไงฟากกซาห์เราจึงได้เทมันกอซาฟาแปลว่าเทอธิบายคือหลอมนั่นแหละอ่าเราก็ได้เทมันหรือหลอมมันเป็นอะไรนะเป็นทองรวมกันน่ะเหมือนกับเป็นเป็นเทมารวมกันแบบทํำซูร์กองนะเอามารวมรวมกันอทีนี้ โดยการแนะนำของใครอ่ะโดยการแนะนำของนายซาเมรีอ่านายซามรีฟกากาซาลิกอัลกอซามมรีได้ทั้งสองเดียวกันซามมรีก็เทด้วยซามมรีก็มีเครื่องประดับติดมือมาก็เทรวมกันนะครับกลายเป็นทองแต่ที่ไหนได้ซาเมรีวางแผนลุ ก, ลก วางแผนพราะเป็นมูนาฟิกอ่ะอ้าหกตอแหลสารพัดต้องการจะทำให้คนเนี่ยหลงให้เลิกบูชาอัลลอ์ให้ได้ให้ไปบูชารูปรูปเจเ็กก็คือหลอมเป็นรูปลูกวัวพอเอาทองเนี่ยเอาเพชรเอาพลอยทองที่แบกกันมาเนี่ยคอยยืมเข้ามาจะพวกด้นะพวกฟาโร่เนี่ยพอเทลูไปหลอมที่นายได้การเป็นรูปลูกวัว นี่ความคิดของซาเิรีฉลาดไหมพวกบริสุทธิ์ฉลาดมากเลยนะฉลาดแกมโกง อ, อ่าวันนี้ก็เหมือนกันถูกต ก, ก, ก, ก, กถูกทอดบาถึงพวกบริสุอิสระเองทั้งหมดนะอที น, นี้ไปหลอมอหลอมออกมาก็เป็นรูปรูปรูปวัวท้าคข้าอธิบายครั้งว่าอัซารอนนี่นะแปลว่าแบกแบกน้ําหนักอัซาร์นี่แปลว่าบาปก็ได้ ว่าดาตัซิรูวาซิรตนวิสุราอุครอใครมีบาปทําบาปจะเอาบาปนี่ไปให้คนอื่นแทนไม่ได้บาปใครบาปมันฉะนั้นการที่พวกบานิอิสรออีนไปเอาขอยืมอะไรเครื่องประดับมาจากพวกฟาโรนั่นถ้ายังไม่คืนเจ้าของเขาถือย่ายังมีบาปติดตัวอยู่อ่าบาปที่ติดตัวอยู่นะ ฉะนั่นใครที่ไปขอยืมในศาสนาเบนีอิสราอเอลเ็หมือนกันศาสนาอิสลามก็เหมือนการสอนเหมือนกันถ้าไปขอยืมของใครมาถ้ายังอยู่ที่เราอยู่เรามีภารากิจจะต้องส่งคืนเขาแต่ถ้ายังไม่ส่งเอาซารอนเป็นภาระหนักต้องแบกเอาไว้โอ้เห็นยังคําว่าเอาซาลอนแปลว่าเป็นภาระหนักเป็นน้ำหนักจะต้องแบกอยู่ ถ้าหากไม่ส่งไม่ส่งคืนเขาต้องแบกไปถึงวันเกียยมะอาเราจะเล่นงานทําไมคุณไม่ส่งคืนคืนคืนคืนเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นพวกเบนิอิสโอลนพวกนี้มันก็ ม, นกมันก็รู้มันก็รู้ตัวว่ามันเนี่ยเอาเอาเครื่องประดับมาเจอพวกฟาโร่และยังไม่ได้คืนเจ้าของเขาและเจ้าของมันตายกันหมดแล้วแล้วทำไงแบกบของบาปอยู่จะนี้ซาเมดี้เนื้อวางแผนถ้าเก็บเอาไว้ในตัวเนี่ยมันบาปถ้าเท หลอมให้เป็นรูปลูกวัวซะบาปไม่มีในหัวหมอใช่ไหมเอาละ่ะมันเอาทองเอาเพชรพลอยที่ถือมาก็ยืมเข้ามาเอาเอาเจ้าตัวหมดเลยเทเทเ ท, ท, ท, ทแล้วก็หลอมหลอมหลอมหลอ ม, ลอมถ้าหากว่าหลอมแล้วกลายเป็นรูปเจเวทบูชาไม่บาปนี่แผงก็าขาสามมิรลี่มิสเตอร์าซบรีนก่บตัวแสบ ใช่ไหมทำในคนหลงได้ใช่ไหมและมันกินใจอยู่นะคุณมีเครื่องประดับอยู่ในตัวคุณขอยืมเข้ามานี่มันบาปนะวิธีให้หมดบาปทำไงถอดออกมาซะคือเอามาคองไว้เดี๋ยวหลอมมันไปเลยเอาทุกคนเอามาลงลงลงถ้าหลอมแล้วทำเป็นรูปลูกวัวแล้วกราบนี่ไม่บาปถ้าเอาไว้ในตัวบาปเห็นจย่งมิสเตอร์ซารเรชั้นหนึ่งชั้นคนทาบินอาหรือทาสองขะดาบไม่ต้องเกงอ่ะ มันแข็งกับอัลลอา์นะระวังสามิรีท่านกระดตอนตาถูกลงโทษกันไหนไม่รู้นะ <c oughs> อาต่อมาครับอลัลลอดีมากครับอ้าวเพราะฉะนั้นกูอ่านอายาเนี้เตือนนะนะกอลูมาอัคลัฟนามาอัดจะกัมบิมัลกีนาพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้บิดผิวสัญญาของเราที่มีไว้กับนาบีมูซานะ ตามอำเภอใจของเราหรอกตามความสมัครใจของเราหรอกวลากินนะหุ้มมิลนาะแต่เราต้องแบกน้ำหนักมากมายแบกอะไรครับมินซีนาะติลกามของเครื่องประดับข้อมูลชนของพวกฟิโ้นฟากดัฟนาะเราจึงเทมันลงในเบ้าหลอมตามคำแนะนำของซามิรี่ ฟาการาลิกัสอาร์ลกซาซามิีแต่จะทั้งนองเดียวกันซามิรีก็เทหลอมด้วยกับเราด้วยนี่เป็นการทำเพื่อให้มันหมดบาป ก, กับตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นรูปลูปวัวและให้บูคลบูชานี่ก็บาตอีกเทานึงตามมาอีกเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลลาอ้อาอพี่น้องต่อมาครับคงว่ารีนัตุลเกาเนี่ยแปลว่าเครื่องประดับของพวก ฟาโรเอาไว้ในตัวไม่ได้บาปวันนี้ต้องการจะสอนพวกเราด้วยนะใครที่ไปเคยยืมอของเข้ามาเงินก็ดีอะไรก็ดีแล้วยังไม่ใช้เขาแสดงว่าท่านแบกภาระหนักเอาไว้ที่ตัวของท่านวิธีปลดออกก็มีอยู่อย่างเดียวไม่ทำแบบรูปไม่จะทำแบบซาเมรี่นะเอาเกาะล้อมเป็นอะไรนะ่ะ อ่าหลอมแล้วก็เทกันไม่ใช่ต้องเอาไปคืนเจ้าของเขานะแต่ท่านใครท่าไปขอยืมเงินเขามาถ้าต้องการจะเตาบ้าตัวต่ออ๋อก็ต้องคืนเจ้าของของเขายอมให้หน้าแตกถ้าเราเป็นินทาเขาไปด่าเขาไปว่าเขาแบกทาระของเขาเต็มไปหมดเลยเหมือนกับท่านไปนั่นงไปเจอเดินเดิ น, ดนไปเจอสุนหรแา้วกา็ไปเจอเงินพันบาทตกอยู่ริมถนนถามท่านอยนั่นงหวัดจะเก็บหรือไม่เก็บ ถ้าเก็บภาพมีพระละทันทีเลยเอาซาตเป็นพระนหนักเลยนะต้องแจ้งต้องประกาศจะาว่าเก็บใส่กระเป๋าเฉยเดินอันนี้อัลลอฮฺให้ฉันใครบอกตามหลักการอิสลามไม่มีสิทธิเก็บเงินของคนอื่นถ้าเก็บแล้วต้องประกาศเจอนาฬิกาข้อมือมอไซคของฉันต้องประกาศจะเจอในห้องน้ําก็เจอที่หน้ามัสยิดอยู่ที่ไหนก็ตามต้องประกาศในกระรูนี่ของใคร อุลมามบอกว่าต้องอยู่ก็เรา1หนึ่งปีถึงจะเอาไปใช้ได้ถ้าเราจนใช้ได้ถ้าไม่จนต้องบริจาคต่อไปเห็นยังกับเอาซาอัลลอฮเอลลาซานั้นเอาซาสับคเดียวอธิบายได้เยอะมากจ้าพี่น้องอาทีนี้ชีวิตของนบีมุฮัมมัดถ้ามีของฝากแบบนี้นบีทำไงนบีมุฮัมมัดเนี่ยพูดว่ากุเรชมักกาเนี่ยนะ เขาศรัทธาอับดุลัาบิดก่อนเป็นนบีด้วยนะเขาไว้ใจนะเขาเอาโขนดไปฝากกันไว้เขาเอาที่ดินไปฝากอันุุนฝากเพชรฝากพลอยฝากเขาไว้ใจนบีพราะนบาบีได้ชื่อว่าอัลอะไรอัลอมีนก่อนนบีจะโอบพยพจากนครมักกะไปมาดีนะเพราะ อ, อัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดเดินทางนะพวกพวกคุณต้องการจะฆ่าคุณนบีออกกลางคืนนะไปกรทชนอบูบัก แล้วก็ข้าวขอให้่เขฝากไว้นบีทรงฝากกับท่านอล阿里ลีส่งคืนเจ้าของเขาด้วยใช่ไหมส่งคืนเจ้าของนี่งานต้องการจะบอกให้รู้ว่าเมื่อมีของคนอื่นเขาฝากไว้ในตัวแล้วก็ยืมเข้ า, ม, ขามาก็ตามก็ต้องส่งคืนเจ้าของของเขาถ้าไม่ส่งอลัลลอฮฺจะเล่นงานแต่นบีทําเป็นเป็นแบบเอาไว้เพือมาส่งคืนเจ้าของฝากไซนาอา阿里ดารี บ, บก็ออกไปนะครับ มีเรื่องประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่ท่านนาบีนอนอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักสองคนศัตรูมายืนอยู่หน้าถ้ำท่านอบูบักเนี่ยกลัวท่านนาบีถ้าเศัตรูมันก้มมองสรงนิดหนึ่งเห็นเทเราแลนบีตาบัสมาผมอ่านภาษานาบียิมตาบัสม Allah, าอัลลอฮ์นบียิม ยิ้มว่าอบูบากบเราม่อยู่แค่สองคนนะเรามีอัลลอฮ์อีกองหนึ่งอยู่กับเราใจน บ, บีท่านหนึ่งมาเหมือนกันน บ, บีมูซาก็เหมือนกันยิ้มตอนไหนรูกไหมตอนพาพรรคพวกเดินมามาเจอทะเลเนี่ยพรกพวกว่ามูซาเราตายแน่ๆศัตรูอยู่ข้างหลังข้างหน้าเป็นทะเลไปไหนรอดฟาตาบัสมาน บ, บีมูซายิ้มแบบน บ, บีมูฮัมหมัดยิ้มเหมือนกันตอนเจอปัญหาหนักๆเนี่ย เร า, มาไม่ด้อยู่คนเดียวอัลลอฮ์อยู่กับเรายิ้มนะใจดีเลยอัลลอฮ์คุ้มครองปลอดภัยเทั้งเราก็เหมือนกันวันนี้เป็น้องครับถ้าต้องการจะให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราต้องพึ่งอัลลอฮ์องเดียวอย่าไปพึ่งวัตถุนบีอิบราฮิมละอิสลามก็เหมือนกันยิ้มตอนที่ถูกจับจะโยนใส่ไฟยิบรี ล, ลงมาทางนาบีอิบราฮิมให้ฉันช่วยไหม ท่านยิ้มท่านฉันไม่เอาแต่อัลลอ์ฉันเอาถ้าเราอ่ะขวางหน้าเอาหมดใช่ ไ, ไหมเจ้าถ้าท่านฉันไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาอัลลอยิ้มตอบแล้วยิ้มด้วยอัลลอฮ์ว่าเอาไฟเอ่ยเย็นเห็นยังนั่นคนที่ผูกพันกับอัลลอ์ต่วัายุอินลลออยู่กับอัลลอฮ์คอน้องครับ ตอนลำบากอัลลอฮจะคุ้มครองหมดเลยครับหัมดูเเด้เอาต่อมากับอายาที่แปดสิบแปดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในคัมภีร์เตาร อ, อ ก, กับคัมภีร์คุกอ่านได้เหมือนกันนะคัมภีร์เตารอบอกว่าคนที่ทำให้พวกหลงนั้นไม่ใช่ซามีรี่เป็นพารูนอ้าเป็นพารูนผมอ่าน พ, พบเป็นภาษาอุดูอ่านให้ฟังเด็ดนะ ยับโลโก right ้เนี่ยดีขาคือโมซาภาระสื่ออุตัรณ์ในเม่อเดืร้อนกันตั้งตต้ารูนเนี่ยเข้ามาอูเอออร์ุสเซก้าที่อุทมารีเย่มาบูบาักธมารีอเจลหลังจากนบีมมสาขึ้นไปบนภูเขาสี่สิวันแล้วก็กลับมาช้าประชาชนก็เลยแห่ไปหานบีฮารูนให้ฮารูนช่วยทำพระเจ้าย่อยๆออกมามาบูชากันดีกว่ามมซาไปแล้ว อ้างชื่อว่านบีฮารูนี่เป็นการอ้างที่ผิดฉะนั้นในายคำพวตรอกับคำพีคุณอ่านเป็นต้องเชื่ออะไรต้องเชื่อคำพีคุณอ่านเพราะคุณอ่านพูดว่าซามิรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอานี่เล่าไว้ท่านเป็นน้องฟังเอาต่อมาครับอาญาที่88ิเฟาอัคราะจ่ลือหูไมจัลันจ้ซาดเลือหขวร فقالوا َ هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا َ ทำดุลิลาเอฟาอัครละหุมแล้วซาเมรีเนี่ยนะก็ได้นาเอาออกมาอัครยาละหุมนาเอาออกมาให้พวกเขาเห็นนาอะไรออกมาครับอิจลันลูกวัวรูปลูกวัวอ่าในซาเมรีนะมาช่ฮารูนนะ <ś c oughs> ในคัมภีร์ตัวเราว่าฮารูนแต่ในคัมภร์คุณอานว่าใครซาเิรีเชื่อกุราน นะครับฉะนั้นซามมรีไดานามที่หลอมเป็นรูปลูกวัวนี่ยออกมาอัครญ า, านําเอาออกมาในตเตฟแปลว่าสีเหลืองด้วยก็มันทองอ่ะเครื่องประดับทางนั้นอ่ะเหลืองสวยแล้วก็ไอจัลรูปลูก ว, วัวยาสัดันเป็นร่างอ่าเป็นร่างทั้งตัวเลยยาสัดแปลว่า บ, บอดีอนะ้นะเป็นร่างทั้งตัว ลาหูขวัดมีเสียงร้องขวัดแปล ว, ว่าเสียงร้องอคำว่าร้องนึกถึงฮัจยัดเนี่ยร้องตอนจัตอนตอนจะตายะร้องบ โ, โ, โฮโฮหนึ่งเดือนเต็มเตมปิดตาทีไรเห็นท่านยูเบ็ดบินสายบินยูเบ็ดพาอไปสังข้าวเขาว่าตัวเองอยู่ไหนอยู่ในบ่อลเลือดอย่างนี้เป็นตน้นลาหูขวาด วัวตัวนี้มีเสียงร้องตับซิอธิบายอย่างนี้เวลาลมเข้าทางทางก้นลมพัดมาเข้าทางก้นเนี่ยลูกวูบรัวนี่นะแล้วมันออกทางปากเพราะออกทางปากมีเสียงร้องมันเก่งมากนะมันสามารถทาไม่มีเสียงร้องโบได้พอบอบทีนึงคนนีกระกาบไปทีหนึ่งพอบอบทีนึงก็เงยมาทีหนึ่งออก็กาบกันไปเห็นอย่างไร ทีนี้ตั้งสิอธิบายนะอธิบายว่าวันที่ซามิรีเนี่ยทํารูปวัวออกมาเป็นรูปทั้งตัวและมีเสียงร้องได้นี่นะแล้วพูดว่างี้นะฟากอรูฮาดาซามิรีและพรรพวกซามิรีและพรรพวกไม่ใช่ทั้งหมดนะวันนั้นแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มอวันนั้นแบกออกคนเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่ง ประมาณหนึ่งมืสองพันคนคนตั้งห้าหกแสนอ่ะแค่หนึ่งมสองพันคนเนี่ยยืนกับยืนหยัดกับนบีฮะรูนว่าฉันจะไม่เคารพผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดมีอยู่กลุ่มหนึ่งทลายหมื่นสองพันคนยืนหยัดกับนบีฮะรูนว่าฉันจะไม่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กลุ่มที่สองเนี่ยสับสน เออเอาไงดีอังตอนนี้อยู่กับซาเิรี่ไปก่อนเดี๋ยวนบีมูซามาท่านาบีมูซามาห้ามเราก็เชื่อมูซาถ้าไม่ห้ามเราก็ทํำตามตามมูซาอีกกลุ่มหนึงฉันจะยืนหยัดกับซาเิรี่ตลอดไปฉันจะยึดลูกวัวนี่เป็นพระเจ้าถึงนบีมูซาจะมาฉันก็ไม่เชื่อนบีมูซาแล้วออกเปก็อีกกลุ่มนะสามกลุ่มนี่วันนี้เหมือนกันเรามีปัญหาพับเนี่ย แบ่งคนเป็นสามกลุ่มเลยจะเอายังไงโอ้โหอัลลอฮ์อทดสอบมาเราไม่รู้เนี่ยทดสอบมาปาปใครมาเอ๊ะอิสลามมีแท้หรือไม่แท้เนี่ยบางคนก็บ่นมาเจ็สิบแล้วยังไม่แท้อยู่เลยเอาละบางคนก็แบง่งยืนหยัด ก, กับอลัลลอฮ์อีกคนจะทั้งสงสัยจริงหรือไม่จริงอีกคนนี่ปฏิเสธเลยปัญหาทดสอบจอากอัลลอฮ์มาตลอดเวลามันไม่ติดจนอ่าจากนั้นต่อมาครับ ฟากอลูฮาดาพวกซามิรี่แล้วก็ลูกน้องของเขานี่ยพูดว่างไงนะฮาดาอีลหูกุมลูกลูกวัว น, นี่แหละเป็นพระเจ้าของพวกท่านแ้วพูดอย่างงี้พวกไม่หลงเหรอซามิรี่ยืนพูด พ, กพวกอีกอวซีเป็นแสนคนพูดพร้ อ, อมๆกันนี่แหละเป็นพระเจ้าของพวกท่าน ว่าอิละหูมูซาแล้วก็เป็นพระเจ้าของใครอีกของมูซาอีกอ้าวดูไปใส่ได้เขาอะแต่อ้างว่าไงฝฟานนารซียาแต่มูซานะลืมไปความจริงมูซาเนะลืมพระเจ้าน่ยอยู่ตรงนี้แต่มูซาลืมโดยไปหวังว่าจะไปได้บรรยัตสิบประการอะไรนะต่าพีต่รอ บ, บนภูเขาไปหาทำไมที่ภูเขานู่นอยู่ตรงนี้ มูซาหลงแล้วมูซาลืมไปแล้วนี่ดาขครดามูซาด้วยขาลนะมิสเตอร์ซามีรีโอโหชั้นหนึ่งนี่ยขยังไม่เชื่อมีสักแสนคนยืนพร้อมๆกันเนี่ยคนที่อิมานตอนแรกกูจะไปก็ใช่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมในกุอานจะบายอย่างนี้ดูไหมถ้าหากท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อัลลอฮ์จะทำให้ท่านนั้นหลงทางเอาวันนี้คนมากี่คนอะ อ้าวถ้าตามคนไม่นมาแล้วเป็นไงเราไม่พังเหรอะฉะนั้นต้องยืนยัดให้แน่นด้วยหลักฐานด้วยอักีด้าที่ถูกต้องเราจะส่งคนมาเนี่ยสร้างความสับสนตัวเราเนี่ยเอาแั่แห่วจะเอาไอ้ดีเอาอนีด่ดีเอามอุ้นเอาอ้นี้อย่าลืมนะศาสนาเนี่ยจะมีลัทธิปลอมๆ อ, อีกเท่าไรเจ็ดิบสามลัทธิในศาสนาอิสลามมีอยู่กลุ่มเดียว คนที่ยุดนบีได้ยุดสวบา้นานนบีปลอดภัยนอกนั้นหลงหมดเลยท่านต้องระวังให้ดีนะครับเอาละฝ่าอัคราจาละหูไอจลันจะเสดเขาสามีได้นำที่หลอมเป็นรูปลูกวัวออกมาสีเหลืองอรอเป็นรูปร่างแล้วก็มีเสียงร้องด้วยพวกเขาก็เลยพูดว่า ฮาดาอิลหุกุมนี่คือพระเจ้าของท่านวาอีลหุมูซาและเป็นพระเจ้าของมูซาด้วยฝานาซียาและมูซานี่ลืมไปลืมพระเจ้าองค์นี้ไปและไปหาพระเจ้าองค์ใหม่บนภูเขาซินายตั้งสี่สิวันไม่กลับสแสดงมันปิดแล้วมันหลงแล้วมันลืมแล้วดาคายดานบมีมูซาอัลลอฮ์เล่าเลยเห็นยัน Atau Mak ayat di 49. "Avala yarau na ala yarjigui layim qaula, walla yamlikulahum barra walla nafra." Alhamdulillah. Sifat, lakana, kong rupa jahat, benyai. Ah, kau, kita, long. อาฟาลดายาเรวนะพวกเขาไม่ได้ดูดอกรือเนี่อัลลอฮสอนอาฟาลดายาเรวนะพวกเขาเนี่ยไม่ได้เห็นดอกหรือไอรูปหลอมลูกวัวตัวนั้นนะ่ะอัลลอยัาจิเยอีไลฮิมไม่สามารถตอบพวกเขาได้สักคำหนึ่ง ไม่พูดอะไรออกมาสักคำหนึ่งพูดก็ไม่ได้ได้แต่โบอย่างเดียวตัวลมพัดน่ะยังนึกอะไรไม่ออกรือโอ้นี่เราเตือนเนี่ยคะนั้นวันนี้พวกเราในโลกนี้บูชาสิ่งที่พูดไม่ได้เยอะไหมยเยอะมากเลยบูชาเงินเงินพูดได้เปล่าพูดไม่ได้แต่เราพูดแทนมันได้บูชารูปเจเวตเต็มไปหมดใช่ไหม บูชาวัตถุบูชาเกียรติยศบูชาตําแหน่งพูดไม่ได้สักอย่างนึงบูชาก็ น, น่าดูเลยแต่ของอัลลอฮ์มีศิลศัตรูเก้าสุก้าไม่บูชาอัลลอฮ์ไปบูชาสิ่งอื่นอันนี้อัลลอฮ์เทียบไปเห็นว่าคุณไปบูชาเอาลูกวัวเป็นพระเจ้าทําไมมันไม่สามารถที่จะโต้อตอบพวกท่านได้สักคําหนึ่งเกาลันแปลว่าคําพูดแปลว่าถ้อยคําหรือว่าประโยคนึงหรือว่าคำเนี yes, no, no, ย่ยเยสเรโนมันจะพูดไม่ได้เลยและไป ไปกราบมันทําไมนึกถึงใครนบีอะไรนบีอิบรอฮีมที่เข้าไปทําลายรูปเจเบตใช่ไหมไปทําลายตัดหัวตัดหัวรูปปั้นตัวเล็กเย็นเล็กๆน่ะแล้วก็เอาขวานไปแขวนที่ตัวใหญ่แล้วพูดว่าก็าไปถามตัวใหญ่ที่แขวนที่พูดได้แล้วใครทําลา ย, อ, ลลยอัลลอฮ์ได้ถูกโยนใส่ไฟเห็นไหมแต่บอิบราฮิมถูกมาแล้วเอาวันนี้ก็เหมือนกันฮ <laughs> มันรู้ว่าพูดไม่ได้กันนะวาลายัมลิกูลาหุมดรอวาลานาฟ้าและรูปเจเวตนี่ยนะมันไม่มีอำนาจยะยาละลายํมเรื่อเไม่มีอำนาจนะลาหุมที่จะดรอร์นแปลว่าให้โทษแก่พวกเขาวาลานาฟานและให้คุณกกบพวกเขาให้โทษก็ไม่ได้ให้คุณก็ไม่ได้แล้วไป ไปกราบไปขอทำใหม่ อ, อัลลอฮหุอักบาตมีฮะดีษบทหนึ่งนะคำอธิบายของตับเซตอิบนุกซีนบอกว่ารูปบัวตัวนีน้ก็ตั้งชื่อว่าบามุดบามุดอา่าบามุดนะอาล่าพี่น้องแต่นี้พวกเบนิอิสโอลอินเนี่ย อ, อัอลอตอัลอตตัมเน่ ไปบูชารูปรูปรู ป, ร ป, รปจวเจวีตรอดตำหนมากเลยแต่พวกเรานี่สมัยก่อนอยู่ในประเทศอิรักกันเยอะแล้วก็รับเชื้อเชื่อผิดๆิดเข้ามาเยอะมากนะเขาบอกว่าในตบับซิดอธิบายบอกว่ามีชาวอิรักเนี่ยอับดุลละ บ, บินบินบินอุมัดได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งจากพวกอิรักมาแล้วมาถามเรื่องเลือดยุง มาถามเรื่องเลือดยุงที่มาเกาะที่เราเราก็ฆ่ามันแล้วมันเปื้อนเสื้อหรือเปื้อนตัวเนี่ยนามาดซอกไหมนามาดซอกไหมแล้วก็ท่านอิบเนอุมัดกล่าวบอกว่าอุนซูรูจงมองสิพวกพวกพวกอิรักสมัยก่อนด้วยนะพวกเขาเนี่ยฆ่าลูกของท่านหลานของท่านอบดุ ชื่อท่านฮูเซนพวกเอรักเนี่ยนะฆ่าฮูเซนหลานท่านอบีไม่เคยถามเรื่องนี้เลยไปถามเรื่องยุงนี่ซวบานอะับีเาเตือนนะเราเนี่ยเคยทำลายคนเอาไว้อะยังถามอเมริกาวันนี้หรือทำลายคนกี่แสนกี่ล้านคนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่เอานกเปียกน้ำมันน่ะจำได้เปล่า เอาขึ้นถาย ท, ทุกวันทุกวันสงสารนกแต่ไม่สงสารคนที่ตายด้วยระเบิดปุ้นร้อยหนึ่งปุ้นอีกห้าร้อยน่ะไม่สงสารคนแต่เอานกขึ้นมานกที่เปียกน้ำมันก่อนน้ำมันอาหรับนั่นแหละสงสารข้ามน้ามันไ <c> ง <oughs> ข้ามน้ำมันที่ปลูกที่ที่อยอยู่เนี่ยหแล้วใครอ่ะใครทำลายน่ะนกแย่น่ะ เอาถ่ายทุวันทุวันทุวันตุวันให้คนสงสารนกแต่ไม่ให้คนสงสารคนเหมือนกันชาวอิรักมาถามสาวบ้านอับีว่าเลือดยุงเวลาถูกนมาซองไหมมันถามทําไมมันฆ่าหลานนับีไม่พูดสักคํานึ่งอ่ะมาถามเรื่องเล็กเรื่องยายกูกบเอาไว้แบบยิวฮูดีวันนี้เหมือนกันอ่ะไปข้อคิดนะเป็นข้อคินผมไม่ได้ด่าใครนะเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจอ้งอายาสุดท้ายนะครับพี่น้องอายาที่เก้าสิบ ولا قد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن ت ُ م ب ي وإن ر ب ّ ك الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري ว a l a q ก็ได้กล่าวลาหุมฮะรุนุนกับลู a าข้าวอามาฟุตินตุมบิห์ว่านนารับบน و ن ีว่าติย์อัมรีลพัมรุ่นอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ กอลาลาหุมฮารูนฮารูนได้กล่าวเตือนเพราะว่าแบกออกเป็นสามกลุ่มใช่ไหมล่ะนบีฮารูนเตือนนะไอการเตือนนี่แหละได้พวกมาเท่าใหมื่นสองพันคนถ้าไม่เตือนเนี่ยอาจจะไปจงหมดเลยก็ได้ หมามะพอนาบีฮารูนเตือนบอกพวกเอ้ยนบีมูซารออยู่นาเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะอัลลอฮ์องเดียวนะคุณเคารบบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เมื่อก่อนนี่คุณเคารบฟาโรก่าฟาโราฟาโ ร, าา ร, าาราตายไปแล้วในในน้ํายังไม่เค็ดอีกหรือนี่มาเคารบสิ่งอื่นอื่นจากอัลลอฮ์อีกแล้วพอนบีมูซานาบีฮารูนเตือนอย่างงี้มิ่งก็เลูกก่อนที่มูซาจะกลับมาจากภูเขาสี่สิวัน เตือนว่าไงยาเกามีโอโมชนของฉันเอ๋ออินน า, าฟูตินตุมบิพวกท่านเนี่ยนะถูกทดสอบให้หลงแล้วพวกท่านนี่เสียท่าแล้วที่คุณไปคารพ บ, บูชารูป ล, ลูกวัวที่สร้างมาจากทองคำน่ะทุงท่งถูกหลอกแล้วฟูตินตุมบิฮิเพราะซามิรี่นำคุณไปทำพิษ อพี่น้องเข้าใจนะใครเตือนนะน บ, บีฮารูนเตือนเขาทําหน้าที่ของเขาถูกต้องแต่นี่น บ, บีมูซากับฮารูนนะ่ะต่างกันนิดหนึง่งน บ, บีมูซาเด็ ด, ด, ดขาดแต่ฮารูนเนี่ยประนีประนอมเหมือนกับไซนาอมัดเด็ดขาดไซนาอบูบากัตประนีประนอมใช่ไหม แต่นั่นนะแต่ฮาหฮารูนจะทำเด็ดขายก็ได้แต่นึกนี่มันระกบหนีขามน้ำขามทะเลกันมาฟาโร่ก็ตายแล้วมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมูซากลับมาอีทีนก็ได้คุยกันนะมันถูกต้องแต่มูซากา็ไม่ยอมทำยังไงเอาละฮารูนก็เตือนไหมเตือนพูดว่าไงนะยากามีอินมาฟูตินตุมบิโอหมูชนของฉันเอ้ยพวกท่านนะเสียท่าเสร็จแล้ว หรือว่าพวกท่านถูกทดสอบให้หลงแล้วทิ้งอิสลามไปแล้วไปยึดสิ่งอื่นศาสนาอื่นอื่นจากอัลลอฮ์ไปแล้วคุณทำผิดอย่างร้ายแรงมากเลยไปนะท่านก็สอนต่อไปอีกเตือนว่าวิอ um ินนาลอบากุมแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านคืออัลลอฮ์นั่นแหละแต่มีสิทติ์อะไรอัรลอฮ์มานสิทัต์ผู้ทรงกรุณาประณีอัลลอ มีสีฟัดเท่ทาไรเก้าสิบเกาสีฟัดในท่านเออยู่สีฟัดเดียวนะอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์เป็นปผู้อภิบาลของท่านผู้ทรงกรุณาปราณีอย่าลืมนะอัลลอฮ์มานุรหิมอัลลอฮ์มานเนอัลลอฮ์ปราณีทั้งคนกาเฟตและคนมุสลิมบนโลกดุนยาเบนี้ส่วนนุรหิมอัลลอฮ์เมตตาในวันอาครอเฉพาะผู้ศรัาทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้น คนไม่เอาศาสนาอัลลอ์ไม่เมตตาแล้วไม่ไม่ไม่ปราณีแล้วนี่อัลลอ์เตือนครับนบีมูฮัรูนพูดเตือนอินนารอบบกูมุรรฮ์มานแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านคืออัลลอ์ะนั่นแหละแต่มีศิฟธตอะไรอัลลอฮ์มานผู้ทรงกรุณาปราณีดังนั้นฟัตจาบิอูนีท่านทั้งหลายจงปฏิบั ต, บ ต, ติตามฉันตามนาบีฮารุ และยังไม่พออีกว่าอาตีเอาอัมรีและจงฟังคําสั่งของฉันน บ, บีมุ hammad ก็พูดแบบนี้แหละอัลลอฮ์บอกกับน บ, บีให้พูดภาษานี้เหมือนกันฟัตตาบีเอานี้เอาช่วยอะไรบ้างกุลิงกุลตุมตุฮิบุนอัลลอฮ์ฟัตตาบีเอานี้ยุฮบบุคุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับน บ, บีมุ hammad เอ้ยจงประกาศกับประชาชนพูดว่าถ้าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ จงปฏิบัติตามฉันให้ทิ้งการบูชารูปเจเวททั้งหมดให้ปฏิบัติตามนบี ม, มุฮัมมัดนบีฮารูนก็พูดฟัตจาเบอหนี้ท่านทั้งหลายถ้าต้องแการให้อัลลอฮ์รักจงปฏิบัติตามฉันอย่าปฏิบัติตามสามิรี่ว่าเอาตีเอาอัมรีและจงฟังคำสั่งของฉันอย่าไปหลงตามสามิรีเพราะฉะนั้นการทาตามนบีถูกต้องที่สุด วันนี้เราทําตามน บ, บีคนไหนน บ, บีมุฮัมมัดสุลต่านอย่าทําบิดอ้างพี่นอ้องบิดอ้างเลิกให้หมดเลยทําตามที่น บ, บีสั่งเอลลารอของที่น บ, บีสั่งตั้งเยอะยังทําไม่หมดเลยเมื่อวานนี่มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกๆฉันเนี่ยมันไม่เอาศาสนาบางทีก็ไปชอบก่าพุ่มกาเฟซกาเฟซ ก, ก็ไม่เอาศาสนา สายตั้งหูโตๆๆอะไรพวกนั้นอะ่ะสักเต็มตัวนี่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราทั้งหมดน่นะถ้าเรากันลุอยู่ในการเรียนหนังสืออยู่ในการไปมาหาสู่กันทำไงครับผมก็แนะนำอาอย่างนี้ลุกขึ้นนมาดกางขึ้นขอดูอาต่ออัลละปกป้องลูกของเราบางคนจะพูดว่านมาดตะหัดยุดินมาดยังไงล่ะ เอ่อนามาตหายุทธนะ์นันนามาอย่างไงอลัลลอฮ์นะนี่นะผมก็ขอบคุณอลัลลอฮ์ว่าฟังก็เล่าเล่าให้ฟังวนเป็น้องกับนี่นะนี่ทหารเราไม่มีปัญหานะในครอบครัวนะพ่อแม่ไม่มีใครอยากนามาตหายุทธ์เลยพอมีปัญหาปั๊บนึกถึงอลัลลอฮ์ดีนะไม่เอาปืนฆ่าลูกนะบุญเทนะ่าไหร่แต่เถามคือหาอาลัลลอเฮ์จะช่วยแก้ไขปัญหาของฉันหน่อยแต่บุลาปัญหาเกิดพึงนึกถึงอลัลลอฮ์ดีไหมก็ยังดียังกลับมาหาอาลัลลอฮ์สุภานะบุหะตาแล อารักขาพี่น้องเตารอกับกูบคาทกู้อ่านบางเรื่องไม่เหมือนกันนะอ่าอย่างเนี้ยซามมรี่กับฮารูเนี่ยเตาร้อบบงว่าไงนะคนที่ทําให้คนหลงเชื่อฮารูแต่กู้อ่านพูดว่าซามมรี่อันนี้พิสูจน์ฮะใช่ใช่พระกู้อ่ า, อานเั็นคำพีคำเล่มเล่มสุดท้ายไป ม, มีคมพีอะไรใหม่อล้วนะจ๊ะ سبحانك اللهumm ะ بحمدهك سوا لا إله إ ل أنت أ س ت غ ر ك و أ ت و ا ل ي ك وسلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا